ครั้งนี้ให้เราได้ฟังอีกท่านหนึ่งโดยได้เปิดเผยนะคะว่าที่สำนักสงฆ์แห่งนี้จะมีบ่อน้ําโบราณอยู่บ่อ น, นึงค่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นหน้าแรงหรือว่าฝนขาดฤดูขนาดไหนบ่อน้ํานี้ก็ไม่เคยแห้งเหือดไปเลยทั้งที่ไม่ได้อยู่ติดกับลาคลองลาห้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะคะว่าน้าเหล่านี้มาจากไหนชาวบ้านรุ่นเก่าๆจึงบอกลูกบอกหลานนะคะว่าบ่อน้านี้เป็นบ่อ น, น้าพญานาค แต่ก่อนนี้จะเป็นบอ่อกว้างพอนานๆเข้าค่ะขนาดบ่อก็ลดลงไปแต่ก็ไม่เคยเหือดแหง้งทั้งๆ ท, ที่รอบๆ บ, บอ่อนี่คือแห้งกันไปหมดแล้วคุณซับและก็คุณซูมาลีค่ะได้เล่าให้เราฟังต่อไปอีกนะคะด้วยความเชื่อกันมานานนมนี้เอง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 ในบ่อน้าพญานาคนี้มีทรัพย์สมบัติอยู่มากมายแต่ใครก็ตามที่คิดจะลงไปงมหาสมบัติในบ่อนี้เนี่ยจะต้องมีอันเป็นไปทุกราไกล่าวกันว่าเคยมีผู้ที่ละโมบโลภมากขะหวังจะได้สมบัติถึงขนาดเสาะหาบุคคล น, นะคะที่เก่งทางด้านสมาธิจิตมานั่งวิปัสสนาเพื่อให้บอกน่ว่ามีสมบัติฝังไว้ตรงไหนปรากฏว่าเมื่อตาแหน่งชัดเจนแล้วก็พากันขุดหากันจนเป็นหลุมลึก แต่แล้วค่ะก็ถูกดินถล่มลงมาทับจนฟั่นเฟือนเสียสตินอกจากตำนานอาถรรพ์ของบ่อน้ำพญานาคดังกล่าวแล้วคุณซับยังเล่าให้ฟังนะค่ะว่าบริเวณที่แห่งนี้ผีดุด้วยในยามค่ำคืนบางคนนี่เคยเห็นเด็กคลานข้ามถนนเลยบางคนก็เห็นเป็นผู้หญิงแต่งชุดโบราณยืนอยู่ก็เลยเชื่อกันค่ว่าสถานที่แห่งนี้ต้องมีความพิเศษแล้วก็วิญญาณที่เห็นเนี่ยคงจะเป็นเจ้าของเดิมซึ่งสถานที่แห่งนี้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 ก็มีสารปูนเก่าแก่ตั้งอยู่อย่างเด่นชัดมากค่ะความแปลกของสารแห่งนี้มีความแตกต่างกับสารอื่นตรงที่ว่าเป็นสารปูนที่ตั้งอยู่ริมถนนการที่จะเข้าไปกราบไหวสารก็จะต้องโน้มตัวมุดลงไปกระาบไหวข้างในซึ่งลักษณะก็จะเหมือนกับว่ามุดลงไปในถ้ำนั่นเองบรรยากาศภายในสารก็ยิ่งมืดสลัวนะคะยิ่งเป็นบรรยากาศ